พลังทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากนามรูปบรรดาสิ่งต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้หรือในโลกไหนก็ตามเมื่อกล่าวตามหลักพุทธศาสนาและเป็นการกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีเนื้อแท้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือนามกับรูปและคำว่านามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชื่อ แต่หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมและคําว่านามธรรมในที่นี้ก็หมายถึงเฉพาะเรื่องจิตและเจตสิกคือคุณสมบัติของจิตเท่านั้นไม่ได้มีความหมายถึงสิ่งอื่นเช่นกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆเช่นกฎธรรมชาติเพราะสิ่งที่คนทั้งหลายเรียกกันว่ากฎธรรมชาตินั้นทางพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าเป็นนามธรรมทางพุทธศาสนายอมรับว่า กฎธรรมชาติมีจริงแต่ก็เรียกกฎเหล่านี้ว่าธรรมะหรือธรรมเฉยๆดังเช่นข้อความซึ่งเคยได้ยินกันอยู่เสมอว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะสังขารทั้งหลายมีการเกิดและการดับเป็นธรรมดาซึ่งคำพูดประโยคนี้แปลามาจากคำบาลีว่าอ น, นิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรร ม, มิโน ขอให้สังเกตคําว่าอุปาทวยะธรรมิโนซึ่งมาจากคำสามคําต่อกันคืออุปปาทะบวกวะยะบวกธรรมิโนอุปาทะแปลว่าการเกิดวะยะแปลว่าการดับธรรมิโนแปลว่าเป็นธรรมดาธรรมิโนคําเดิมก็คือธัมมะ ซึ่งแปลว่าทำทำในที่นี้สะกดด้วยทอธงรองหันมอมาซึ่งในภาษาไทยมากรีสั้นๆว่าทมแต่เนื่องจากเวลาทำเสียงอ่านในหลายแห่งก็จะอ่านว่าธรรมะนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ฟังสับสนกับคำว่ารำที่สะกดด้วยทอทหารที่หมายถึงการกระทำฉะนั้นขอที่โปรดจำไว้ให้ดีว่า คำว่านมามธรรมในความหมายของพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆดังเช่นที่บางคนเข้าใจเรารู้กันดีว่า ส, สารและพลังงานทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีระเบียบซึ่งระเบียบที่ว่านี้ก็มีลักษณะเป็นกฎตายตัวตลอดกาลเราเรียกระเบียบแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้ว่ากฎธรรมชาติ หรือคุณสมบัติของสาสารพลังงานซึ่งเป็นที่รู้กันดีในทางเคมีและทางฟิสิกส์แล้วเรารู้กันว่ากฎธรรมชาติหรือคุณสมบัติของสาสสารพลังงานนั้นไม่มีใครสร้างขึ้นมันเกิดขึ้นมาเองพร้อมกับการมีของสิ่งต่างๆเหล่านั้น